ก็มีน้อยส่วนวันขึ้นเดือนปีบพรมันค้องน้อยเป็นรอบๆยุ่งสิวันพัดผักาจากโลกไปไซ่แต่สมมติว่วันทิศจันทร์อังคานพุทธพรหัตทุกเชร้าก็ดีก็สมมติเพื่อให้หนุจักจำได้ไม้หลูกัน ผ้าอ่อซื้อว่าเป็นจริงกับมีรถมีศาสตร์สองอันมีรสศาสตร์มืดกับศาสตร์สว่างถนัดพระอาทิตย์ซองขึ้นมากกับสว่างพระอาทิตย์หลับไปกระดับมืดเด่นอายเด่นนีเด่นมกรล่ากลุ่มผ้ามีหน้ามีา มกกล่ากุมผ้ามีแ ม, น ม, ม่น้าเมสสาพฤษภาเมตุนากระดากระดาสิงหากรัญญาตุลาพฤศจิกาท่านว่ามกกลอันนี้ก็สมมติเพื่อให้เขาใจความหม้กันจะซื้อระดูก็มีเพียงสามระดูระดูเนาวระดูรดอดระดูแดงระดูฝนชีระดูระดูแลสามเดือน ก็สมมุติเป็นปีหนึ่งก่เป็นจริงกับปีเก่าวันเก่าเดือนเก่านั่นเองมาเป็นหลบๆบริสุทธิ์หายไปใส้ไปจำโลกยุคชีวิตของสัตว์แต่ละยุคละยุคละยุคที่เกิดมาทางพัดผากกาดเวลาไปต่างหากเวลาว่าเดี๋ยวัดผากกากผู้ได้ไปใส เข้ามาบวชไฟปฏิบัติต้อา บ, บวชทั้งกายบวชทั้งไหวจา้าบวชทั้งใจมาเป็นบวชเจ้าก่ายชื่อวา่าจ้ากระบวชใจกระ บ, บวชผ่อเบื่ไตทวารทั้ง3เข้าเห็นโทษเห็นขุนจังไรเขาจึงมาบวช จึงมาปฏิบัติเพราะเห็นความเกิดความแก่ความเก็บ ค, ความตายความเย็นความหอนความหนาวความปาา่าธนาบ่ได้สหวัง ควมพัดผ่ากากสิ่งที่รักประสบพบเห็นยู่ในโลกนี้ตลอดื่องโลกทั้งกูดทั้งหลงไปจําคันทะสันดานดวงทุกธานทุกคนนกาจึงมองเห็นว่าทางบรรพชาอุปสมบทปฏิบัติอันนี้ ชะลอยชักทำให้คิดใจสูงขึนสิ่งอื่นสิบว่าสูงขึนกว่าตามขอรให้คิดใจสูงขึ้นเหนือจากความโลภความโกรธความหลงเจ้าของเพราะเสื่อเนวะโลกเต็มไปด้วยเกิดแก่เก็บตายเพราะอยากเก็บทำคิดทำใจ ให้สูงขึ้นไปกว่าเกิดกว่าแกกว่าเก็บกว่าตายกว่าหลกกว่าโกฏิกว่าหลงจึงเนี่ยก็สามารถปฏิบัติตามสถิตกำลังของพของมั่นบัวได้มาปฏิบัติด้วยกระตายตื่นตูมหรือด้วยหลวเขาพาปฏิบัติกับปฏิบัติไปหรือเอาเป็นเครื่องอาคิดกับพวกได้ไม้ว่า จักทำลายกิเลส ต, ตามาติตกำลังของเก่ของเพื่อจกักึก้ปือคิตใจของเก่ขอ ง, ของให้มันสูงขึ้นไปกว่าระดับเดิมพอเลี้ยวไปไซเห็นตะเวนเห็นตะพย่ยเห็นตะแก่เห็นตะเก็บเห็นตตาย เพินจะหลบเพินนจะกูเพ็่นตะหลงบุญไหว้ไส้พงอยู่ในวัตาสงสารวัตาสงสารผายนบบุคคลอื่นสัตว์อื่นวัตาสงสารผ้าในสก ล, ลากายสกคน ล, ลาา ะ, ลลาาะลลาาใจสักละใจก่ย่างบุนไหว้ไส้พงโล เพย่างไปตามอำนาจน้ำโลกน้โกดน้ำหลงยูย่างพัไหนสนะในสกุลร่ากายกระติมไปด้วยสรัพยทุกข์ทั้งพวงเพราะใจเป็นผู้เฝ้าผู้ข้องกระตรงหูกจับเก็บปวดลวดหล่าเสี่ยงใดกล้าทรงมหาคิดหาใจ โลกภายในคือหนังหุ่มอยู่ภายในก็นั่นคือคิตใจโลกไพ่นอกคิดใจผู้อื่นหนังหุ่มผู้อื่นหนังหุ่มซัดเอื่นสัดโลกโลกคือมูซัดโอกาสโลกโลกคือแผ่นดินสังขารโลกโลกคือสังขาร แลพระโลกทั้งปวงอันนี้จะเป็นยุทธ่ห่าว่ทันมาเกิดม่อผู้ได้สี่บ่งครับบันซ่าได้เป็นไปตามสภาพวัธรรมอยู่จังสันเมื่อเฮามีเกลียดยังวัสนะความหลงก็บจำเป็นแหล่มากร้อยทะเลทะเลเกิดทะเลแก่ทะเลเก็บทะเลตายทะเลโลบทะเลกวดทะเลลกมเงีนี่บัดันทั้งฟังยักเถื่อ เพราะเหตุใดเพราะเหตุยังว่าท่านเบื่อท่านนายว่าท่านค่ายเมาในความเกิดว่ท่นค่ายเมาในความแก่ว่าทันค่ายเมาในความเก็บยังว่าท่านค่ายเมาในความตายยังว่ทันค่ายเมาในความมีหนวกพัดผ้ายังว่าท่านค่ายเมาในความป่าเถนาบได้สมหวัง ยังติดโยนนำของบอ่หม่นบอ่อเทียงยังติดโยนนำของบอ่สวยบอ่องามคือสะกหนาฬิากาถ้าองค์เก่าบรัญญติว่าเป็นของสวยของงามของป่วยของเนา่าเขาก็ฝืนเพลินฝืนพ้า อ, องค์เก่าว่าเป็นของสวยของงามรื่นคมพอขวมเมอเขาก็ยากฮะนี่ เกิดมาเป็นเพจฟ้าห้างกระดูกโย่เป็นเพจลงมนังเป็นเพจล้มกระดูกเป็นเพจล้มเนื้อเป็นเพจล้มกลิ่นล้มขี่ล้มนั่งล้มนอนล้มนึกล้มคิดล้มอันนึงก็ล้มไปมืดเพราะเฮายังหวัดชนะหน่อยกระเมีนวัดชนะหน่อยก็เพราะตู่ว่าได้สั่งไว้หลาย กลเป็นคนบอกอยากสอนอยากว่าฟังควาพ่อความแม่ซะหน่อยพ่อแม่บอกไว้พ่อแม่อีหยังคือทำความสอนของพระองค์เจ้าเดี๋ยกว่าพ่อวแม่เดี๋ยกว่าทรัพย์สินข้านที่พระองค์ทรงแจ ก, กแบ่งไว้ให้มนุษย์และเทวดาทาั้งหลายโดยว่าลำเอียงเป็นของกลางอยู่เป็นของบางสกุลอยู่ใครอยากใดร้ายหอบออกไปร้ายกับว่ามด ไปพออย า, ากได้เพิ่กับว่บังคับหสิเอาเมดผู้เดียวว่านก็เมดพเปลีย่ยบย่ได้แต่เงบ่ได้จีแต่ปนกันคำซ้อนพระเจ้าเนี่มันคือซับไ่นอกซับภายนอ ก, นอกต้องดได้จีแต่ปนกันกัผู้ใดพกเป็นถ้ำผู้ใดเป็นถ้ำกับ่กจีเพปนเนาะผู้ว่าเป็นถ้ำต้องปนนี่เพราะต้องดได้จีแต่ปนพรอยากได้ละ่ะเอาโลด คำคัญทางสอนของพระองค์เก่าจะเป็นชาสตราของท่านทางร้ายห้องใหญ่ขึ้นมาถึงเพียงนี้เข้า่านทุกมาถึงเพียงนี้เข้าสองพี่เจ้าหน้าทั้งถ้อยหลังก็ดีปัจจุบันก็ดีาาก่อนจะได้ความซัดยูโม่หน่อยก็ต้องมากจะเกิดมานี่เข้าได้พบซุกจกเถือ ต่างคนต่างปวดเบืองดู้กายยิบสุกทุกท่างกายก็ดีเจตซิบซุกทุกท่างใจกด็ดีที่ว่าเข้าสมมุดว่ามันเป็นสุกเป็นซุกนี่ยมันเป็นซุกจิงตังเข้าสมมุดอิเล่บะหรือข่งเจ้าตัวข่อยข่อยทั ว, ทวเจ้าซื่อ ในจดหมายถามข่าวถามข้าวหากันว่ายุสุขสบายดีหรือสบายดีดอกว่าท่านค้ามว่าสบายดีอยู่ในเพียงเกิดหมายสมัสยเพียงแค่ใดหมายเพียงไว้กินขขาแสบนอนรับบอเก็บบอป่วยนอนค่าทีแต่ว่าสบายที่นี่ สีมาติสเพื่อเพื่อนยอดไม้ถามกันว่าสบายดีดอกด้วยทั้งผุ่นทั้งพี่นยิตดใจของเข้าบมเรียนขึ้นไปกว่านั้นอีกควมตัวซันนิกสิมาดองหัวใจเฮายูสบายจังไรความแก่กระทับทมความเก็บกระทับทมความตายกระทับผมอยู่ควมเย็นควบหอนความหนาวควมปวดเหล่าในสักคนในหลักกายกระทับทมบจะว่ามีกระเว้งกระคืนควมหิวควมอยาก ข้าวสิมาพอมกันสมมติว่ามันสบายดีอยู่มันสิแมนบ อ, อขันว่าด่าจิตใจว่าสันมันไมสบายจังไดถึงข้าโรบกระลบขึ้นจัดขันว่าได้สมประสมกับโกธถึงข้าโกดกระโคดขึ้นจัดอืนี่ภูมิว่ามาดาเขียดกระคมจนถึงกับข่าวฟันนันแทงกัน จนถึงก็บังหนาบัางตากันมได้ได้เป็นคู่พีคู่สางคู่อาคารกันในดัจจจิตใจที่นี่ความที่เข้าบัญญัติว่าสุขน่มันแมนบ่นมันบ่มนแมนเลยตัวกันท่น่กตัวมึงก็ตัวปูข่อยกตัวเจ้าเจ้ากตัวข่อยท่านกับตัวพวพก็ตัวท่านคือจังซิ่งแล้วนี่เป็นนาทีเขาสิพจาหน้าทั้งนั้น ข้าเป็นนักลบนักเข่าสงข้ามเพื่อจักให้ชนะกิเลสเจ้าของเพื่อให้ชนะควมหลูควบกูดควมหลงเจ้าของถ้าตายค่าหลกค่ากดูดค่าหลงเจ้าของยอมพาดในเบาบางเสียเลยกิเรียกว่าถึกแผ่ไปยุทธุสัตว์ทุ ก, ทกบุค ขนาว่าเบาบางไปศาตรนี้ก็เบาบางซ้ำนี่หรือเหงื่อแหงจนหายไปหมดก็ดีแหงดีหลายขนาดนี่ก็เกิดมาเพิ่มควมโลกควบกูดควมหลงซะแล้วว่าไม่มีทางหัําหันไม่มีทางพกปล่องรักษาไม่มีทางระบายออกจากเตือศาตรหนากระเ็กไปหนาอีกศาตร์น oh. ้อกระเทกไปน้ออีก เนี่ยจึงได้ให้จังติผลเจา ก, กองทุกจักเถือพระพุทธเก้าจึงมาบัญญัติศีลจึงมาบัญญัติสมาธิจึงมาบัญญัติปัญญาให้กลมกลืนกันเพื่อให้มู่ห่อทั้งหลายได้ปฏิบัติหัาหันกิริย่างหยาบย่างกลางอย่างละเอียดให้เหือดเหงหายไปจากคันธะสันดาน วิสาท่ามพระพุทธศาสนาเป็นโลกุตละวิชาโมเป็นโลกียะวิชาเป็นวิชาซักส่วนให้ถึงโลกุตละโมนเนวิชาสิมาซักส่วนใหเที่ยวมาเกิดมาแกมาเก็บมาตายยังในวัฏสงสารนนี้เฉพาะผู้บวชมาแล้วขันบ่จังสันกับ่สมฐานะที่บวชมา บวสมฐานะที่ว่มีลูกมีเมียขันเท้ายังสิ ป, ป่าฐานะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพุ่มสมบัติอยู่ก็บบสมฐานะที่เขาล่าคารวาะมาบวชมันต่องสมฐานะผู้อยู่ในคารวะเม่ผู้อยู่เขาอยู่ในคาราวะแทะเขายัางนินลุน อยากผลทุกในวตาสงสารในปัจจุบันาศาสตร์ก็มีผูเขาเขาแก่ก่ามาแลยเมื่อกิจเท่าบ่สูงขึนเท่าบ่เบื่อบ่นายฮาวิจิตยิจเสื่อเอือนในวตาสงสารจิตทัองเข้ากับธรรมะกับพรกรมคืนกัน พอจะถือแต่ทําเพิ่นในวัฏฏะสงสารนี่ถือแต่ทําปูหกในวัฏฏะสงสารเนี่ยสิว่าถือทําจริงทําแพร่มันจะถึกแต่ทําเทือนขณะคิดใจถือทําเทือนทําก็เป็นท่ำเทือนว่าเป็นภูกับคิดใจคือกัารเป็นทําปลอมทําที่เห็นไพ่ในวัฏฏะสงสารว่ามีกลางวันกลางคืนเป็นเหลียกว่าโ่แมนทําเทือน อันนันมันทำแท้ทำเดินทางทำมัวนั่งใจใข้อสอบทวนม่วงคิดใจข้องเฮาวงรู้ขนักว่ายคิดใจเฮายังเพื่นในวัตตาสงสารหลายโย น, นก็เรียกว่ายังถึกทำเทือนอยู่หลายค้ามีสรดสังเวท เหียวบังอดีตเดียวบังอนาคตเหียวบังปัจจุบันอันใดกันเมื่อพ่อสิติสิ้ได้จากแนวเมื่อพ่อสินาเพื่อนไสเป็นนาเสลดสังเวศเป็นนาเอื้อมเป็นนาละอาพอเต็มไประดุของบ่มีแกนมีสารจากแนวมีแต่สังขารปรมา ท, ทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่ง สังคานที่มีใจคล่องและบ่มีใจคล อ, องก็เหมือนกันทุกเป็นอาหารของสัตว์ทั้งหลายในโลกอันนี้เป็นที่เรื่องเป็นนัางนม่มเป็นผลของก่ำแต่พบกรกรที่สางาสาสางพบมา ก, กมเลยเนียอสวย จิตใจของเฮาสืยุ่แน่นระดับเพื่อนเพื่อนในวัตาสงสารยอย่ังนี้แล้วความซุกิตซุกใจของเฮาความสูหลุดนจากความหลงความโลภความโกรธความหลงของเฮากับบ่มีวัน แผแต่กิเลสเยอะซ้ำนันถือแผ่แต่ความหลงเยอะซ้ำนั่นถือแผ่แต่ความอาฆ า, าตหมาดไหลเยอะซ้ำนั้นถือแผ่แต่ความจองล่างจองผานเยอะซ้ำนั่นหรือภาชนะไปจักเถื่อถือแผ่ทั้งลงหนัง ถือแพ่ทั้งหลงกระดูกถือแพ่ทั้งหลงผมลงขนหลงเหล็บลงฟันวาชนะไปได้เพราะกิเลสมีอำนาจราคาจัดควมกำนัดแรงกล้าพอบะว่าพี่เจนาตามเป็นจริงควมจริงมียอยู่บนย่อมพี่เจนา พี่เจ้นาอุบายได้ล่าขะสิส่งเสริมก็บปันหามาปอนมันยุู่สมืออุบายได้โทษสะสิส่งเสริมก็บปันหามาปอนมันยูู่สมืออุบายใด้โมหะสิส่งเสริมก็บปันหามาปอนมันยุู่สมือเฮาสิปอนยุ่ยสมือหืบปอนยุ่ยสมืออันนั้นเป็นเรื่องของเฮาสิเห็นเฮาไม่ผู้อื่นสิมาหาคะแนน เอาสนใจเพียงแค่ใดทุกวันหรื อ, อยู่ตามกระเยิ่มขีมากันกล้วยแล้วมือนั่นแล้วมือนี่ปล่อยบ่ออันมือนี่เป็นนาทีของไยของมันสิเบิงเอาเมื่อมันเนียสิไปตัดสินให้กัน ปฏิบัติพมไม่จัดว่ามันสีมาสงสัยที่ทำความสงสัยให้หายเมื่อทำความเมาให้หายเมืดเคยเมามาแล้วเมาเหล่ายังมียามเศ้าเมาหลุกมเมากรวดเมาหลง่มีมงามเศ้นานังขียในทิพิ์ปัสสนอนกขอยในิพย์ปัสส เ่าก็ยูในพิพาสะฟังก็ยในพิปาสะเพรามีโลกกดหลงสัมปยุจจิตใจอยู่พันซาเพื่นจังว่าปาโลกปาโกดปาหลงปาราขะปลาโทสะปลาโมหะนั่นแหะคือปาซาในพผอประมัดปาสาภายนอกของเห่าก็คือพิปาสาเอาไปเผากันปลาสะยับเข้ามาอีกในพระสูตร ก็คือในทองหาหานะเฮานี่มีที่ผีปาษากุพีาา่ผีปาษาเขียดมั่วควายไฟเขาซัดที่มีวิญญาณคลองสิงพักเนี่ยอันใดสารพัดนี่ผีปาษาานึง่งคุกขีใกล้ก็ไม่ได้สกลละกายฮะนี่หลยมันคุกขีใกล้ในลำใส่เฮา ยินดาาิดคุกขี้ไก่ยนในเวียง ก, กตะกีังปกครองขันมูฮ้อยนั่งกำนัดรับไข่ยินดีในสะกด ล, ละก่ว่าสวยว่างามอย่เ่ากิดคุกขีก่ไก่คือกันใหเลนักก็ขีไก่ไปอีกสิไปยังไปเวียงก๋อพุน สี่เขามาในห้างกระดูกข้านี่ข้าติสตุคุกหน่วยนี่เป็นง่ายคิดตลอดจิตใจห้าลงเต้องพี่เจ้ า, นาเน็ตเหนื่อยเมื่อยล้าในความเกิดแก่เก็บตายชาละพัด จะประทุข้างป่วงมาหวมอยู่มาห่วมอยู่ในศาตร์ในภพมาหวมอยู่ในน้งหุมมาหวมอยู่ใน ส, ในในนในสกลละกายสกลละใจงานทั้งลายเม้นจิตใจเป็นผู้แต้งขึ้น แตงให้หลงกับแม่นจิตใจเป็นผู้แตงแต่งบ่กให้ผู้เจ้าหลงกับแม่นจิตใจเป็นผู้แตงแต่งให้มีท่านมีศีลมีภ า, าวนากับแม่นจิตใจเป็นผู้แตงแตงให้ละเรื่องพวพันในทั้งอื่นกลวงกันขา่าวบ่มันเครื่องสํารับให้จะคล้องสลาดกับแม่นจิตใจเป็นผู้แตง เมื่อคิดใจยังบ่งคับเห็นโทษในเกิดในแก่ในเก็บในตายในหลกในโกรธในห ล, ล, ลงอยู่แล้วสี่ห้ตาหูจะมูกลิ่นกายมาเห็นโทษมันกับว่าเห็นเพราะมันไม่ได้ไปก่ออภัยผู้อื่นมาก่าออมันต่างหากสี่ห้ดินหนามไฟล่มไปเห็นโทษกับว่าได้ คุ้ในดินในน้ำในไฟในลมมีธนัยเป็นหน้าที่คิดใจหงจับโทษมีธนัยเป็นหน้าที่คิดใจหงจับคิตใจมาเมาเอาเอกสังขารและวิสังขารม า, ามาเอาเมาเออกสังขารมาเอา ม้าเอาของบ่เทียงของเป็นทุกข์ของเป็นอนัตตาเม้าเมาเอ า, เอาดินเอาน้าเอาล้มเอาไฟให้ยูว่องแขนของกิดของกาเมื่อบื่อยูในวงแขนของกิดของใจตามความประสงค์คิตใจก็เดือดห้อนดินน้าไฟล้มภ้ายนอกพิษบอกหรือมันคิตใจเป็นผู้พิษ คิดใจผิดหรือมันความหลงผิดนรืมึงควมงโงคว่ำง้อขัดโบมีคิดมีใจกับคมทีบนอาศัยมีคิดมีใจจะคอยอาศัยได้ฉันนิ่มขัดโบมีเล็กกับคนี่บนอาศัยฉันนิ่มต้องอาศัยเล็ก คันเล็กแอนประกอนกเล็กดีเล็กสแตนเลส ก, กับว่าสามารถสิมี่สนิมหลายขั้นไหนคือกันขันจิตใจมันคัดมันเกาเจ้าของเองหัวจักอาบน้ำอาบท่าให้เจ้าของ คิดอาบน้ามืเอาอยัางอาบส่วนอาบให้กายเนี่ยอาบได้อยู่ส่วนอาบให้คิดสิเอาอยัางก็มีสิน้นถ้ำพระพงองเก่าถนันสิอาบไหส่งหาส่งหายชิทําให้สะอาดได้ล่างกายช้งคันมันเอานา้ำผ้ายนอกอาบพอประทังประทังอยู่ได้ไปเป็นวันวันพอพอแม่นสาบแม่นโขงไปขันว่า อ, อาบเปิดแห้งหีายกว่านี้ ทั้เม็นสับมันโค้งเข้ากรายกันกับว่าได้ปากหมอุนอยุดสมือกันยังเมน้นดักเซตยืสมือกับเม้นส่วนจิตใจกับมีปฏิบัติชิ้นท้ำยืสมือทั้งแม่ปะนั่งยังสกปปกอยู่ยังอยากบืนไปห้าโลกห้าโกรธห้าหลงอยู่ ยังตายบุจื่ออยู่สันชวนห่อถิ่มไหวตามก็เยิมชีมา ก, การกล้วยมาปฏิบัติชินท้ำเลยคนห่าเห็นกันสีบังหน้ากันได้บ่สิบุมีแต่หอกแต่เงาอ กรรมฐ า, านใดที่เฮาเคยพี่เจะนะสะดวกสบายคิดใจของเฮาให้เป็นเครื่องยูให้เป็นเครื่องอยููของคิดของไก่แถวพิจาจนาอันนั้นลงใหายซัดกรรมฐ า, านเดิมอันตันเรียกว่าอาจารย์เดิม มันทีร่วมลงไปอยู่ทลายก็หามันร่วมซะเวลาร่วมลงไปเนี่ยมันเป็นรถจังไรกรหายชื่อว่ายเวลามันบมร่วมมันเป็นรถจังไรก็ให้ยชื่อว่เวลามันฟุ่งซ่านมันโมเขา่าเป่าที่เรากำนกกหนดกฎหมายไว้มันเป็นจังไรกระหังหูจักมันมันหนีจากเป่าไปด้วยวิธีใดกรให้งหูจักมัน มันวิ่หนีด้วยวิธีใดกับหงษ์จักมันมันตั้งอยู่ไดด้วยวิธีใดกับหงษ์ชุดหงษจักมันมันตั้งอยู่ดวนปันใดกับหงษ์จักมันลดาศาสตร์ของมันที่ควมตั้งอยู่และรดศาสตร์ของมันที่ควมบพตั้งอยู่และรดศาสตร์ของมันที่กําลังวิกาญย์โยมเป็นลดจังไหนกับหงษ์จักทั้งรดมันด้วย ผู้สางเว้นสางไพ่คืนกับมันจิตมันใจอันเดียวผู้ศีักระงเว้นไพ่คืนกับมันจิตใจอันเดียวอันอื่นกับว่าแม่มาซอยมาว่าแนวเป็นพักเป็นขาเลยเมื่อมีอันไดสทีมาเป็นสหายผู้เดียวร่นโลนมีอิสระอย่างเต็มที อยากทำซัวกับท่เขาม่าให้จิตแทนล่ะอยากท่กำาา ด, นะทดีกับท่ำขาม่าให้จิตแทนละ่ะอยากรุดอยากพ่นกับเป็นจิตผู้สิรุดสิพ่นไปจากสังขารทั้งปวงว่ามันโมมันบะเทียงเนืยอไปอดีตอนาคตปัจจุบันเหรออยากรุดอยากพ่นจากคว่ำหลงที่หลงมาแล้วก็เป็นผู้จิตที่หลงที่พ่นจากคว่ำหลงต้องโกด์คว่ำโลกโลก็กดี เหตกับมันจิตนี่นะพุทธิเป็นนะจิเป็นพระกับมันจิตผู้สิเป็นจนะิต เ, เ, เป็นยังแกงเป็นทุกข์พอแก้ปัญหาจะคล้องโบตกการแก้ปัญหาจะคล้องตกตอนไดนจิตก็กสบายตอนนั้นไม่เป็นทุกข์ การแก้ปัญหาจะคของใสวัตถุนิยมในของบบมันโบเทียงควมสุขแห่งกิจกับโบมี่ีว่ามินเทบาตเชนาชนะในเพศสัดดียูบ่ได้ประมาทเพราะเป็นเครื่องอาศัยของบัะสิตแต่ห้าสิติจ ด, ด้วยเพียงแค่นั้นควบสุขของห้ากับโบมีอีกละเมื่ออันนั่นผสมผสมก็เดือดหอนอีก พออันตร่านเป็นนั่นยังเป็นของภายนอกอยู่เมื่อนังหุมปมะสมประ ส, ระสง์แตกสลายสลายไปเกี่ยวต่อฟันหักไกอ้ผมเหมาะกว่าดีเส้ยนย่อนเป็นเกี่ยวกว่าดีพอจักเดือดห่อนอีกเหมือนกัน พอโตมาก็เอาของเดอดห่อนไว้พิ่พิษกับตกลงอยู่ในกั้วงมงูควมหลวงควมเจ้าของพระจ้าจิตรลดของเกาหันละมาไปค่าไสป่ากินปิงสิไปฆ่าข้อแห้งโบแมนปากินปิงกับฆ่าข้อปิงหันละ ค้าคอกป่าฮะล่ะวันขึ้นเดือนปีซีวีมันเป็นห้องไผมันโมเดวามันจะเป็นห้องไผซีวิดนี่มันก็เป็นไปตามสภาพวธรถำมองไปไซาก็เห็น แต่ว e ่ามันพมันนอกในใต้โลกธาตุเห็นแต่คว้างบวั่นบวเที่ยงมัดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันม้องงามไดก็เห็นท่านั่นน้องงามไดก็เห็นท่านั่นเดี๋ยวเบิ้งมัดมือก็เห็นอยู่มัดมือท่านั่นหงษ์หงจึงมาเหลียวเบิ้งก็เห็นท่านั่น ไม่เห็นอ น, นอื่นอีกพ่อสิจัก่อนาไม่เห็นเห็นนเจ้ามาเบิงในโลกอันนี้มาสงสัยว่าสิมีอันอื่นอีกเกี่ยวเวียแสนซักอั น, นก็นสร้างทางวัตถุนิยมกระดายจตอยู่ใต้อำนาจอันนิจจังของเก้าหันละมาว่าสิอยู่ในกำมือผู้ใด กะก่ำของทัพย์ทั้งหลายยังไม่พ้นพ้นทุกข์ว่าลงหยาดหลงแยงอนิจจังกันลงหยาดหลงแยงหางกระดูกลงหยาดหลงแยงขี่เมีนไปมดืดเทละ่ะเพราะก่ำยังหลายผู้ใดหน่อยมึงใดลายวิ่งล่าววิ่งไทยวิ่งเก็กวิ่งกีมคาส สีตีพรางเส้นดีเ ส, สิ่งซัวกันเนีนี่กับพอหลงกินหลงขี่หลงวัตถุนิยมหลงของโมมันบะเทียงนี่เองโมมันไถเยาะย่ยยานเพื่ออยากผลไปทะเยาะย่ยยานเพื่ออยากติดอยู่ ุขีโตโมขเราจงเป็นสุขเถิดขันสุขในโลกมันสิมีประตูใดขันบ่สุขในภานิพานผล่มันสุขในค่วมผลผลูกพ่นนี่ทุกโขโฮมิข้อเราย่อเป็นทุกเถิดฉันคาร่ า, าปรามาทุกขาในไตหลว ก, กระละถาดมันเป็นทุกพอแห้งนะ อเวโรโฮมิโคลายามีเวนี่ไพ่เถินะในพระไตโลกธาตุเนี่ยมันมีแต่เวนตะไพ่นี่ผมว่าถึงพระนิพพานมันกับวรงับแล้วเวนไพน่อะมันมันศาตหนึ่งกับสาตรหนึ่งยหัหน่ะมันนํำมากมันลอยกันน้ายแล้วถึงมันชิ้นนำมากกว่าตาม จิ่งถ้าคนจะกิดเลืดเลือกถิ่มานั่เห็นเต้นห้างก็ยังไข้เนันี้โคโฮมิภาวะอพยพโซ่โฮมิยามีความป่วยไขยย้ยามีพยาคติภาวะถ้ามีเกิดแก่เก็บตายอยู่สี่มันก็มีพยาคติแล้วจำหระเข่าสู้พนิาพานะ พระเจ้ตากสภทุขาประมุ่นจันตุเพมาถึงพรนิพานเนี่ยมันกพบพนจกทุกข์แล้วมาถึงพระสวดาดิ์บักฑาคข้ามีอนาคามีแล้วก็บผมมีพ้นทางสีเบาไปแล้วท้องเข่ยนปากสียกบใดล่ว กิเลสว่าน้อยลงตัวพระตัวพระคาวตาทำโม่ทำพระพุทธเจ่าเก้าดีแล้วเก้าดีแล้วก็เก้าดีเพื่อให้ถึงโลกุตระคนว่าเพื่อสิให้มาอยู่ในโลกจิญญะนี่นิย่านิโกะธรรมธาราสัาลีเป็นนิย่านิกระทั่มน้ำสัตดให้ไปถึงโสดาบันชักขาทาฆามีอนณาคามีอรหันา เราไม่นให้ติดอยู่ในโลกอันนี้ถ้าจัดสังให้เห็นเองนะท่านให้เห็นในสุดาบันสักทาคามีอนาคามีอัหันปุ่นเอ้ความหมายของพระองค์เจ้าเรามาจะให้เห็นนอกๆนี่เจ้เห็นนอกๆก็จะเอาไปฟุ้งใส่สันทิศที่โก้เมื่อวันก็นวุ่นไายแล้วฝั่นเฟือแล้ว อนุ้มีข้อห ม, มายล่ะสันทิษที่โก้วมีขอบเขตล่ะพอเขาไปรักไปซกเขาก็เป็นสันทิษที่โกอยู่อืมัมนยังเป็นทางโล ก, กีด้วยที่ไปเอาเขากับธรรมะเทพ อ, องค์เจ้าสันทิษที่โกมันก็ขอได้วาสนิตรดือด้อๆเอาไปเข่าซื้อพ่อปานเอาสีไก่ไปท่าแทะแกนฉันแดงนั่นแล้ หมุสมานอาสีเอาขีใบไปท่าแล้เจ้าต่างหากจกเห็นเองหมายถึงถึงสิ้นถึงธรรมสั่นโลกุตละคนเอ๊สิไม้เห็นเองคือเขาเบิ้งไฟอย่างสีมันกับอะไรมันก็บโมเมีขอบเขตอีกล่ะ ซุ้มเสาหน้าบัวกันเียวว่าแกงทั้งฉีทั้งตุดทั้งกลางทั้งเก็บทั้งปลาเนา่าปลาเหม็นใส่น้ากัน่นมกฮ้อนเป็นตะกินเกหม้อไงปใ น, ปรนกระงังห่กปลาไม่เหม็นก็ทิมเสหัน่างก็ทิมเสหัน่อนอค่นนคือกัน เดี ส, สันทิทิโก้ปัจจตังว่ามีทั้งขืนทั้งรองมาห่วมมดทังูบมีศีลมีถําเขาก็เป็นปัจจตังว่ามีศีลมีถ้ำอยู่เดี๋ยวมาหม่วมมดกับอะไรตองไม้ขอบเขตต่พระสวัดิหวานไปพระพุทธเจ้าบนหิมุงองสันเขามาหม่วมสันเขาก็ลงภูบสวเก่เอื่อนโน้มมาห่วมนำปิยังฉัน เอามายู่สนามทุกพราแห้งแล้วสนามสงฆามพราะแห้งเรื่อยๆนี้ผู้ใดมาเกิดแก่เก็บตายในวัตฏะทุ่งสราร น, นี่เรียกว่าอยู่สนามสงฆามสงฆามแก่สงฆามเก็บสงฆามตายสงฆามมีโยกพัดผ่าสงฆามโรภสงฆามโกรธสงฆามหลง เขาท่าสิมากินเขาพระเจ้าอัสนะผู้อื่นมากินเขาพระเจ้าเพื่อสิเอาชนะกิเลสจะคล้องชนะหน่อยกับม้นชนะกิเลสจะคล้องชนะไรายจะม้นชนะกิเลสจะคล้องชนะเมดโดยสินเชิงกับม้นชนะกิเลสจะคล้องถึกแพื่กิเลสถึกหน่อยถึกาย มันถึงแผลกี้เล็ดจะคล้องนี่แผลศสนาพ่ายนอกวุฒิมีในพระศาสนาห้าของเอามาบอกกันซื่ออันมืดหน่อนมันซุ้มเสาหน้าบัวชซื้อเอามาจะแทลแผลศสนะพ่ายนอกวุฒิมีในพระพุทธศาสนาไม่ได้บัญญัติเขาในพระพุทธศาสนาแผ่กับแพลกี้เล็ดจะคล้อง ศานศน า, นากิเลสเจ้าของแจ้มันแกนถ้ำแท่ของพระพุทธศาสนาเนื้อเหล่านั้นม่เปลือกเหมือนกับพี่มันถ้าเอามากาวมาตูซื้อะองง์บด้ส่งสรรเสริญในคำพูดชนิดนั้นเฮาไปจากอายผู้อื่นเฮากยับอายเฮา ทางคนย่างอยากอายเจ้าของพอเสียเปียบเที่ยวมาเคยแก้เก็บตายเสียเปรียโหลบโกดลงเสียเปรียบเข้าใจไปพิดแต่ผลนมาบัญญัติว่าตัวถือตัวบุ่ยยิ่นนีในพระนิพพานนั่นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ ตัวโบยินดีในความผลทุกในวัาสงสารสิจัดเป็นสมาทิฏฐิแถอยังเมื่อใดสิจัดเป็นสัมมาทังกระโปดำรีชอบกันยังม่ไใดสิจัดเป็นสัมมาไาวจ่าซักส่วนสอบกันยังเ่อใดจัดเป็นสัมมากรรมมันโตการงานสอบกันยังเ่อใดจัดเป็นสัมมาอาชโวะเรื่องศีวกวีตวิศสอบกันยังเ่อใด จัดเป็นสัมมาว่าย่ามโม่พญายาม่สอบกันยังบ่ได้เพพญายามไปทางอื่นเนี่ยเพราพยาย่ามเพื่อรู้เพื่อผลโมมีอันนี้เป็นรักหัวใจสัมมาสติระลึกสอบกัยังจัดบ่ได้เพราะบ่ยินดีระลึกถึงคุณพระในพรานบ่สิบรับสังขารด้วยกิเลสด้วยกองทุกข์ จัที่จัเป็นสมารถสมาธิกันยังมไม่ได้เพราะว่าต้องมันในว่าตั้งมันในเกจตหน้าวังผลถุกแน่เงี้ยสิเฮ็ดหน่อยเฮ็ดไรแม่สิขาดมากไงกับมี ก, มก้นไม้ปลายทางเท่านั้นแด่หม่เฮาในหลกงอันนี้บุญยานไผยได้กเกิดลืนบริยานไายหา่างไผ่มีลืน อย่างพ่นไปไหวกว่าดแต่ทั้งพ่นทุกเท่านั้นอย่างพ่นลืนแต่ทั้งผ่านผพานดับกิเลสเท่านั้นดับกิเลสกับดับควอมห่อนจะของเท่าราคามี่อไหร่ดับซะเนี่ยว่าดับกิเลสโทษสามเท่อไดดับซะเนี่ยว่าดับกิเลสมหฮามีเทไร่ดับซะเรียกว่าดับกิเลสคือการเท่ะเราสิดับได้โดยวิธีใด หนวยวิธีประสงเสริมมันอันแล้วหนยวิธีเห็นโทษมันอันแล้วแต่ยังเห็นว่ามันแสบมันนวยจะเฮากะละบ่ทันได้เฮากะเว้นบ่ทันได้มันเห็นว่าเป็นไฟเอาจริงจริงจังๆนี่ผู้ใดกระตองเว้นได้มดบอกไปจับทานไฟเดี๋ยวนี้มือผู้ไป่ายเดี๋ยวนี้พอเห็นโทษแล้ว กล่าทานไฟมาให้จะกรอบดีอ่ะสันมือคู่ยอมนี่ก็เห็นโทษคักแล้วเฮอเขาเห็นโทษท่านนั้นพุทธละเขาจังสิเวนได้ราคะโทษามโมหะนี่กดเกียบตายนี่กล่มาพบลูประพบอารูุปภพนี่เห็นนึกเป็นหอกเป็นงาวคักนี่ควมที่เขาใจพิดชดิตนั้น ขพิของจะของหันเอ็เป็นหอกเป็นเงาแท่งจะของก้วสล า, างในจะของหันเอ็นเป็นดอกบัวบูวซ่าจะของแล้วอุปมาเป็นดอกบัวซ่บัวซ่าซักอุปมาเป็นอุตปาที่อาโรโกซักจีงสว่างซัก พอสิ่งความสงสัยตอนนั้นน่ะเรียกว่าอุตตปาทิอาโลกโกะแข่งสว่างเหมือนไฟพง่งบ่สงสัยว่าจากมาเกิดเมื่อแกเมาเก็บ ม, ม, มาตายอีกบ่สงสัยในหลกสงสารนี่ิเต็มไปด้วยอันอื่นเต็มไปด้วยตะกองทุกเต็มไปด้วยแต่ลุ่มท่านเพิ่งนี่ก็จัดเป็นอุตตปาทิอาโลกโกคือกานทะเลาะสว่างเหมือนไฟไฟพุ่งคือกันอืม เห็นโคตร น, น, <ดใ>น่คว่ำเทเยอร์ทาย่านในวัตตสงสารหมักไงไฟสูงอันนี้ก็เรียกว่าอุตปาที่อาโลโกโล้ขึ้นกันแหละสว่างมันไฟโพกขึ้นกันนั่นแหละวาา่างฉันเถอะเดี๋ยวว่าดับสมุทัยดับตันหาไปในตัวคือกัรนั่นแหละส่วนสีดับขาดหรือบกขาดแล้วแตะกรณีของเก่า น, นั้นเดี๋ยวก็บันเท่าคือกันนแหละ เห็นไพ่ในโทษเล็กๆในน้อยเห็นไพ่ในคว่พิดเล็กๆในน้อยเยือมละอาสลดทั้งเวทในวัตรารงสารจะน้ำตาไหลพุ่นังที่ได้ยิ้มแท้ถ้ำพุ่นยิ้มให้ถ้ำรลายก็ยิ้มใช้ปัจใจซี้พุ่นยังที่ังูได้ ยิ่มใเทปัดใจซีหลายก็ยิ่มเททำล่ะไปบวกละนี่มันมาได้กับปฏิโซกของมันสังขารของมันอนิจจังพวกเนี่ยนีมันได้กัติดอยู่นี่มันมีกัติดอยู่ยเพราะว่าสีเอาไฟฝ่าไฟแถงขามานี่เขาไปได้ลืมตัว